สำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องย้ำว่าพุกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องรู้พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละพอถ้าเรารู้พวกแล้วนี่เราก็จะสาวไปถึงตัวต้นเหตุหรือสมุ ท, ไทยได้ถ้าไปละมันเสร็แล้วหรือไปขจัดมันเสร็แล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสาวไปถึงตัวตัวสมุทัยได้ยังไง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 เวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ไปเหมาเลยว่าเราทุกข์ไปยึดเอาความทุกข์เป็นของเราั้งที่มันไม่น่าจะยึดเลยไม่น่ามีหน้าเอาอยู่แล้วแต่เพราะไม่มีสตินั่นแหละถึงไปเหมาอย่างนั้นแต่เมื่อถลุงหรือแยกจ้อยไปก็จะเห็นวนะ่าเออไม่ใช่เรานะที่ทุกข์กายและใจหรือขันทั้งหา้าต่างๆที่ทุกข์การพิจรารณาเช่นนี้หรือการเห็นอย่างนี้ก็ทาให้สิ่งที่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 รู้ไปละเอียดขึ้นก็จะเห็นก็จะรู้ว่าทุกนั้นเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าสุขด้วยทุกนั้นแฝงอยู่ในสุขมันไม่ได้แยกจากกันสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเป็นสุขหรือความสุขเนี่ยมันก็มีทุกแฝงอยู่ความยินดีที่เราเพลิดเพลินมันก็เจือไปด้วยทุกหมายความว่า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 เพราะว่ามันจะไม่ยอมเป็นไปตามใจเราของหายไปบ้างเสียไปบ้างมีคนออกไปบ้างหรือแม้แต่ว่าไม่มีใครออกไปหรือแม้แต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอยู่ไปนานๆก็ชักเบื่ออาหารที่อร่อยเรากินไปนานๆกินทุกวันทุกวันกินทุกมือทุกมือในรสชาติยังเหมือนเดิม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 แต่ว่าถ้าเสียงสารเสริมมันหมดไปเมื่อไหร่หรือว่าเขาไม่ชมเราไม่นึ่ถึงทั้นตำหนิเพียงแค่ไม่ได้ชมวันก่อนนี่วันอื่นึ่่ๆก็ชมเราแต่วันนี้ไม่ชมพอไม่ชมเราแค่นี้แหละก็เหมือนกับตกลงมาที่เคยรอยอยู่บนบนอากาศตกลงมามันก็เจ็บยิ่งลอยสูงมากเท่าไหร่ก็เวลาตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้น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 จับหางูคือไปไปยึดเอาความสุขไปยึดติดความสุขแต่ถ้าจับแล้วก็รีบปล่อยทันทีไม่ยึดติดเอาไว้อันนั้นก็ไม่เป็นไรงูมันแหวนกลับมากัดไม่ทันนันคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามนะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็ให้มีสติรู้ไว้อย่าไปยินดียินร้ายกับมันฝึกใจเอาไว้เพราะใจของเรามัน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 มันก็เพราะว่ามันยังมีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราอยู่เ <may> มื่อมีความสำคัญมา่นหมายว่าตัวเราอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมีมือถ้ามีมือเมื่อไหร่ก็ต้องมีหลังมือและหน้ามือมันยังค้ำถ้ายังมีตัวเราอยู่มันก็ยังมีผู้สุขและผู้ทุกข์มันยังค้ำต่อเมื่อไม่มี มือเมื่อไหรไอ้หน้ามือหลังมือก็หมดไปแต่ทุนนองเดียวกันต่อเมื่อไม่มีตัวเราเมื่อไหรให้สุขหรือทุกหรือผู้สุขและผู้ทุกมันก็ไม่มีทางจะมีได้อันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีปัญญามองให้เห็นด้วยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วไอ้ที่ว่ารู้ทุกเนี่ยก็คือรู้ว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะยังมีความสําคัญว่าเรา